ค้นคว้าหาเรื่องเก่าๆย้อนหลังกลับไปเมื่อหลายสิบปีมาอ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมทำให้เราได้รู้นะคะว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าของเรานั้นมีความแตกต่างกับปัจจุบันอย่างไรมีอะไรดีที่ควรนำมาใช้กับคนรุ่นใหม่บ้าง อันที่จริงแล้วมีมากมายทีเดียวค่ะแต่จะพูดไปคนรุ่นใหม่ก็คงมองเราว่าเป็นคนโบราณมองอะไรคิดอะไรไม่ก้าวหน้าเลยก็อย่างเรื่องของวิญญาณเรื่องของผีที่เรากําลังจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันยังไงก็พิจารณาแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเรื่องต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของอุปท า, านของคนขวัญอ่อนหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและวิญญาณมีจริง ไม่ใช่เรื่ององมงานอีกต่อไปเพราะว่าคนที่เจอจังๆกับตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงทั้งที่ยังเป็นนักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับประเทศแห่งหนึ่งนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องเก่าที่เราสละเวลาไปค้นมาจากหอสมุดหรอกนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่เมื่อเร็วๆนี้นอกจากได้รับคํายืนยันจากเธอแล้วแม่ของเธอก็ออกมารับรองอีกคนหนึ่งเพราะว่าวันนั้นร่วมรู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ ปกตินักศึกษาในระดับนี้จะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆต้องได้เห็นแล้วก็ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองจนมีความมั่นใจค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรกันแน่จิตของเราเกิดอุปทานหรือเปล่าแน่นอนว่าเธอคนนี้ได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบแล้วจึงออกมายืนยันถึงเรื่องราวในวันนั้นที่ตัวเองเจอมาแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่เธอยังไม่ถึงคราวที่จะต้องจากโลกไปค่ะเพราะว่าแม่ได้ช่วยชีวิตของเธอไว้แท้ๆ ช่วงนั้นอยู่ในช่วงวินาทีแห่งความเป็นความตายหากว่าแม่ของเธอช้าอีกนิดเดียวค่ะอาจจะสูญเสียลูกสาวอันเป็นสุดที่รักในชีวิตไปอย่างไม่ต้องสงสยัยส่วนเธอชื่ออะไรนั้นขอสมมุติชื่อละกันนะคะว่าชื่อพลอยค่ะเธอได้รับเชิญมาในรายการทีวีรายการหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในขณะนี้ เพราะว่ารูปแบบของรายการก็มีหลากหลายแล้วก็ได้ปรับปรุงรายการของตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้บริโภคไม่เซ็งเนื่องจากได้รับสิ่งใหม่ๆ ม, มาป้อนอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรายการทีวีเมื่อเห็นว่านานแล้วก็จําเจกับสิ่งที่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่ควรทําตามอย่างยิ่งนะคะเพื่อไม่ให้แฟนรายการของเราเนี่ยเบื่อแล้วก็ย้ายเวทีไปชมช่องอื่นแล้วก็เป็นแฟนรายการของรายการอื่นนะคะ ปกติแล้วตัวของผู้เล่าเองก็จะไม่ค่อยได้ชมรายการบันเทิงต่างๆของโทรทัศน์ในช่วงเวลากลางคืนเท่าไหร่เพราะว่าเวลาหลังข่าวส่วนมากก็จะนั่งอ่านหนังสือนั่งอัปเรื่องลง Youtube นะคะแล้วก็บางทีก็จะทำงานตัดต่อแต่งรูปอะไรอย่างนี้แต่บังเอิญว่าในคืนนั้นค่ะเพื่อนก็ได้เรียกมาให้ชมรายการทีวีรายการหนึ่ง เขาเชิญนักศึกษาสาวปริญญาโทจากสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งพร้อมกับแม่ของเธอมาออกรายการในรายการเกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิญญาณก็พอดีค่ะว่าเวลานั้นกําลังหาเรื่องเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับวิญญาณมาเล่าอยู่พอดีเป็นจังหวะที่เหมาะเจาะนะคะ เจ้าของรายการบอกว่าที่ขุดเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิญญาณขึ้นมาใหม่หลังเก็บเข้ากลุ่มานานเพราะว่ามีแฟนรายการเรียกร้องมาเป็นจํานวนมากขอให้แทรกรายการนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าอย่างน้อยๆ น, นะคะก็จะมีแฟนรายการอยู่กลุ่มหนึ่งที่ชอบเรื่องราวลึกลับแต่ควรพิจารณาให้รอบคอบกับเรื่องราวที่นําเสนอแล้วก็นํามาอ้ออากาศอย่าเอาความงมงายไม่มีเหตุผลมอมเมาควรจะมีหลักฐานแล้วก็เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือของสังคม และนี่ก็คือการยืนยันแล้วว่าบุคคลที่ได้ประสบพบเห็นวิญญาณมาด้วยตนเองนั้นเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือค่ะหลักฐานเกี่ยวกับสถานที่วันเวลาแล้วก็หลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดอีกชิ้นหนึ่งก็คือพยานซึ่งมายืนยันก็จะเป็นผู้จัดการโรงแรมแล้วก็เป็นผู้ที่เคยเจอมาก่อนก็ย่อมเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ห้องพักของโรงแรมห้องนั้นเป็นห้องที่แขกที่เคยพักต่างสายหน้าก็แสดงว่าทุกๆคนที่ไปพักที่นั่นก็คงจะเคยเจอมาแล้วทั้งนั้นนะคะก่อนที่คุณผู้ฟังทั้งหลายจะได้ฟังเรื่องราวของผีเรื่องราวของวิญญาณก็ควรจะมารู้จักกับความหมายของมันสะก่อนว่ามันคืออะไรและทำไมคนถึงต้องกลัววิญญาณหรือว่ากลัวผีกันนะักทั้งๆที่วิญญาณแล้วก็ผีนั้นเนี่ยไม่ได้โหดร้ายอะไรกับคนเรามากนัก น, นะคะเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้น ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เขาก็เป็นคนเหมือนกันกับพวกเรามีความโลภมีความหลงในกิเลสเหมือนกันจะมีความแตกต่างกันก็ตรงที่ว่าใครจะมีกิเลสหนาใครจะมีกิเลสบางกว่ากันก็เท่านั้นค่ะหรือว่าจะเป็นตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นคนที่มีนิสัยแบบไหนเป็นคนที่มีนิสัยโหดร้ายใจซามแล้วก็เมื่อตายไปอยู่ในโลกของวิญญาณก็ไม่ทิ้งนิสัยหรือว่าสันดานเดิมคนที่มีนิสัย ที่ดีนะคะหรือว่ามีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อตายไปอยู่ในโลกของวิญญาณก็จะเป็นวิญญาณที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะหลายๆท่านก็คงอยากจะรู้แล้วละค่ะว่าวิญญาณคืออะไรหากจะนําเอาความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ต, ตยสถานก็คงจะหมายถึงความรู้แจ้งความสํานึกความรู้สึกตัวความคิดความในใจจิตใจและก็สิ่งที่สิงอยู่ในร่างกายของคน เวลาที่ตัวของคนเราตายไปจากโลกใบนี้นะคะมันก็จะไม่ตายตามร่างกายของเราพอเห็นว่าหมดค่าแล้วมันก็จะหนีไปหาร่างใหม่ที่เห็นว่าเหมาะสมอะไรทำนองนี้ค่ะคราวนี้มารู้ความหมายของคำว่าผีกันบ้างคำนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อจิตใจแล้วก็ความรู้สึกของมวลมนุษย์ในทุกชนชั้นทุกตระกูลไม่ว่าจะเป็นชาวป่าชาวเขาหรือว่าชาวเมืองที่อยู่ในความเจริญผีคาเดียวนี้ค่ะสามารถ เขย่าวขวัญสันประสาททุกคนได้ทันทีถ้าพูดไปว่ามันเป็นหน่วยปราบพิเศษที่ได้ผลที่สุดของมนุษย์ก็ได้นะคะก็ลองลือค่ะว่าที่แห่งนั้นผีดุใครบางอาจเข้าไปทำอะไรหรือว่าเอาของมีค่าในนั้นออกมาต้องเจอดีแน่นอนรับรองว่าที่แห่งนั้นจะไม่มีมนุษย์คนใดบางอาจก้าวล่วงหรือกล้าหยิบของมีค่าออกมาอย่างแน่นอนค่ะ หรือลองมีข่าวลือว่าบ้านร้างหลังนั้นต้นไม้ต้นนั้นผีดุตกกลางคืนมันจะปรากฏตัวให้เห็นเป็นประจำใครที่กล้าเดินผ่านยิ่งถ้าเป็นที่แห่งนั้นเนี่ยเป็นที่เปลี่ยวด้วยแล้วแล้ ว, ลวก็มีคนที่กล้าอย่างบ้าบินสักกี่คนนะที่จะไปที่นั่นโดยเฉพาะผู้เล่าเองเนี่ยมีหลายคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่ากล้าไปดูผีกล้าไปเจอผีไหมอะไรอย่างนี้บอกคาเดียวเลยนะคะว่าคงไม่มีทางนะคะ เมื่อพูดถึงเรื่องผีเรื่องวิญญาณแล้วค่ะบางท่านจะถามว่าแล้วเปรตคืออะไรหมายถึงอะไรก็เอาภาษาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมาอธิบายขยายความรู้ให้ทั้งหมดเลยเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้ไม่ต้องไปค้นหาจากที่อื่นก็ขออาสาค้นหามาเล่าให้ฟังนะคะเปรตค่ะ ก็จะหมายถึงสัตว์ที่เกิดในอบายภูมิพวกหนึ่งค่ะก็คือผู้ที่ตายแล้วก็จะเป็นผีพวกหนึ่งที่มีรูปร่างผอมโซสูงโย่งกินเลือดกินหนองเป็นอาหารนะคะบางคนก็อดอยากบางตนก็มีวิมานเป็นของตัวเองก็สุดแท้แต่ว่าทำกรรมอะไรไว้ในตอนที่ยังเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะ ส่วนสัมภเวสีนะคะก็จะหมายถึงผู้สแสวงหาที่เกิดค่ะได้แก่วิญญาณของคนที่ตายไปก็ยังวนเวียนหาที่เกิดผู้ที่ต้องเกิดนะคะแล้วก็โอปาติกะก็หมายถึงการเกิดโดยผุดขึ้นเช่นเทวดาหรือว่าสัตว์นรกค่ะ เราได้ค้นคว้าเรื่องความหมายของชื่อที่เรียกกันในกลุ่มพวกสิ่งลึกลับหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเป็นพวกผีพวกเปรตพวกเทวดามาให้พอเข้าใจกันแล้วทีนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของคนเห็นผีที่จะเล่าวันนี้ให้ฟังกันนะคะ เรื่องราวของนักศึกษาสาวปริญญาโทที่มีรูปร่างหน้าตาอยู่ในระดับที่ว่าสวยปานกลางก็รวมทั้งมารดาของเธอค่ะก็สวยไม่น้อยหน้ากันเธอได้เล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนั้นให้กับแฟนรายการฟังว่าตามปกติเธอเป็นคนที่ชอบทำบุญตักบาตรตอนเช้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็บันดาสัมภเวสีผีเร่ร่อนอยู่แล้วนะคะเพราะเชื่อว่าวิญญาณมีจริง บางตนญาติพี่น้องเขาไม่เคยทำบุญแผ่เมตตาไปให้จึงมีความอดอยากค่ะรอสวนบุญจากคนอื่นหากเราไม่ให้ความเมตตาพวกเขาเหล่านี้ก็จะอดอยากแร้นแค้นแสนสาหัสอาจจะคิดอะไรไม่ดีก็ได้นะคะนั่นก็คือหาจังหวะหาโอกาสเข้าสิงในร่างคนแล้วก็เรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าผีเข้านั่นเองค่ะ มีอยู่ครั้งหนึ่งนักศึกษาสาวคนนี้ที่มาออกรายการโทรทัศน์เนี่ยเขาบอกว่าได้เผชิญหน้ากับดวงวิญญาณหรือว่าผีสาวตนหนึ่งอย่างจังเลยขณะที่เธอไปพักชั่วคราวในโรงแรมระดับสามดาวพร้อมกับมันดานะคะจากนั้นก็ได้เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำเธอก็เลยเปิดน้ำจนพอเหมาะแล้วค่ะแล้วก็ลงไปนอนแช่ในอ่าง ในขณะที่เธอเองก็กำลังมีความสุขกับการได้นอนแช่น้ำเย็นๆในอ่างอยู่นั้นก็มีผู้หญิงหน้าตาดีแต่งตัวดีผมยาวประหลยัยสีดำเป็นเงาวับเลยนะคะมานั่งอยู่บนขอบอ่างแล้วก็ยิ้มให้กับเธอพอถึงตอนนี้เนี่ยพิธีกรในรายการก็สงสัยว่าแก้ผ้าหรืออาบน้ำรึเปล่าก็เลยถามเป็นในๆผู้หญิงคนนี้ที่เป็นนักศึกษาเนี่ยก็เลยตอบว่าหนูไม่อายหรอกคะ่ะเพราะว่าเคยอาบน้าพร้อมกับคุณแม่ตอนเป็นเด็กอยู่เป็นประจา ผู้หญิงคนที่มานั่งอยู่ตรงขอบอ่างนะคะก็ได้ชวนคุยเรื่องต่างๆหลายเรื่องอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งต่อมาเธอบอกว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวตลาดด้วยกันไหมไปด้วยกันนะเธอก็บอกว่ายังไม่อยากจะไปต้องการนอนพักผ่อนเอาแรงก่อน ผู้หญิงสาวแปลกหน้าก็เลยจับแขนเธอพร้อมกับดึงขึ้นให้ไปเที่ยวตลาดด้วยกันผู้หญิงคนนั้นพยายามจะพาเธอไปตลาดด้วยกันให้ได้ในจังหวะนั้นนะคะมันดาของเธอเห็นว่าลูกสาวเข้าไปอาบน้ำตั้งชั่วโมงแล้วยังไม่ออกมามันผิดปกติแล้ว ก็เลยมาเคาะประตูห้องน้ำเรียกนะคะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับออกมาเธอก็เลยดันประตูห้องน้ำเข้าไปดูปรากฏข่าวว่าลูกสาวเนี่ยกำลังจมอยู่ในน้ำใบหน้าแล้วก็จมูกจมอยู่ในน้ำแล้วแล้วก็มีฟองอากาศลอยขึ้นมาจากน้ำ แม่บอกว่ารีบเข้าช่วยลูกสาวขึ้นจากอ่างน้ําได้ทันถ้าช้าอีกนิดเดียวก็คงจะเสียลูกสาวไปอย่างแน่นอนเมื่อช่วยลูกสาวขึ้นมาจากอ่างน้ําได้พอรู้สึกตัวก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องน้ําทั้งหมดให้แม่ฟังพิธีกรได้ถามต่อนะคะบอกว่าได้ถามผู้จัดการโรงแรมหรือเปล่าว่าในห้องพักเลขที่ดังกล่าวเนี่ยเคยมีอะไรเกิดขึ้นไหมแขกที่มาพักเขาบอกว่าอย่างไรพิธีกรถามนักศึกษาสาวแล้วก็มานดาของเธอนะคะ ถามค่ะ ก่อนจะถามเอาความจริงจากผู้จัดการของโรงแรมก็ได้ถามผู้ที่มาพักผ่อนก่อนว่าทําไมจึงยัดเยียดให้อิชันกับลูกสาวพักห้องนั้นก็ได้รับคําตอบจากเพื่อนของลูกสาวว่าที่จริงเธอก็เคยเจอผีตนนี้กับตัวเองมาแล้วเช่นกันจึงอยากจะให้เพื่อนได้เจอบ้างเมื่อรู้แล้วว่าที่นี่มีผีก็ไม่น่าจะให้เพื่อนได้เผชิญหน้ากับผีที่ตัวเองเจอมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะคะโชคยังดีที่มารดาเข้าไปช่วยชีวิตไว้ทันไม่อย่างนั้นเธอต้องเสียเพื่อนเพราะว่าความคิดแผงๆ แ, แบบ อยากให้เพื่อนเจอบ้างมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะคะ กับผู้จัดการโรงแรมเมื่อแม่พร้อมกับลูกสาวไปถามเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรก็ได้เล่าความจริงให้ฟังทุกอย่างเขาบอกว่าคือในห้องพักดังกล่าวเนี่ยที่ไปพักแล้วก็เจอผีกับลูกสาวมาเขาบอกว่าเคยมีผู้หญิงมาตาอยู่ในห้องพักนี้ในห้องพักนี้มีแขกที่มาพักหลายคนต่างก็เจอกันมาแต่ละคนนี่ก็จะเจ อ, อหลากหลายรูปแบบนะคะคนที่เคยเป็นแขกขาประจาเขาก็จะไม่ยอมพักห้องเลขที่ดังกล่าว แม้ว่าโรงแรมนี้มีห้องว่างอยู่เพียงห้องนั้นห้องเดียวเขาก็จะไม่ยอมเข้าพักผู้จัดจาการโรงแรมพูดอย่างคนที่ไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลยแทนที่จะหาทางแก้ไขโดยให้พระมาปัดดังควานหรือว่ า, าหาห้องให้ใหม่นะคะเพื่อความปกติสุขของลูกค้าขืนปล่อยไว้อย่างนี้เนี้ยสักวันหนึ่งก็จะต้องมีคนตายเพิ่มเพราะว่าผีตัวนี้เนี้ยมันมาบีบคอเอาคราวนี้นะคะคงจะต้องเพิ่มผีขึ้นเดินกันให้เพ่นพ่านเต็มโรงแรมไปหมดแล้วจะทํำยังไงดีล่ะทีนี้ ดีนะชื่อของโรงแรมดังกล่าวนั้นรวมทั้งห้องพักเลขที่เท่าไหร่เธอไม่ได้บอกถ้าบอกเชื่อว่าจะมีแขกไปพักค้างคืนกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบถ้ามีเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เขาแบบอยากลองของอยากเจออะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังทั้งหลายกล้าที่จะลองไปไหมคะถ้าสมมุติว่าไปเจอผีที่นี่ไปเห็นผีที่นี่แล้วมีคนมาเล่าออกทีวีว่าตรงเนี้ยมันมีผีจริงเคยไปเจอมาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นตัวของบีเองนะคะ บอกคำเดียวเพราะไม่มีทางนะครับเหมือนที่บอกไว้ข้างต้น no เสียงดังๆคำเดียวชัดๆเลยละค่ะ เรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องของเปรตที่วัดหลังสารภูเก็ตค่ะเรื่องนี้โดยพระอาจารย์อั๋นนะคะหรือว่าสรออเลคิโตแห่งวัดบวร น, นิเวศวิหารซึ่งขณะนั้นท่านบวชเป็นพระนานกว่า23พรรษาท่านได้เล่าให้คุณสนิทซึ่งเป็นนักเขียนเรื่องเกี่ยวกับผีหรือว่าวิญญาณลงในหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ผู้เล่าเองนะคะก็ได้นามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังค่ะ พระอาจารย์อั๋นแก้วประเสริฐท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งตอนที่ท่านได้ติดตามพระอาจารย์เทศหรือว่าเทสโกนะคะหรือว่าเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งปัจจุบันนี้ท่านได้มรณภาพไปแล้วละค่ะได้ไปจําพรรษาอยู่ที่วัดหลังสาลจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลานา น, านถึง3ปีวัดหลังสาลที่ท่านได้จำพรรษานั้นมีแต่ความเงียบสงบ แล้วก็เหมาะที่จะเจริญภาวนาธรรมกรรมฐานเป็นอย่างดียิ่งไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมล้วนสงบร่มเย็นดีนักพระอาจารย์อ่านเล่าในตอนหนึ่งค่ะว่าท่านมีความศรัทธาในธรรมของพระอาจารย์เทศเป็นอย่างมากและอีกอย่างท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดโดยเฉพาะในด้านของวิปัสสนากรรมฐาน และความงดงามในการปฏิบัติของพระอาจารย์เทศท่านจึงต้องการเจริญรอยตามก็เลยได้เดินทางไปถวายตัวขอเป็นสิทธ์นะคะเพื่อเรียนแล้วก็ฝึกกรรมฐานจากท่านพระอาจารย์เทศโดยเฉพาะการเรียนแล้วก็การฝึกวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ได้เรียนได้ง่ายๆอย่างการเรียนหนังสือจากตำรา การเรียนวิปัสสนากรรมฐานประกอบไปด้วยหลายอย่างในตัวไม่ว่าจะเป็นจิตใจนะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าใจเราต้องนิ่งไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวซึ่งการฝึกตรงนี้เนี่ยกว่าจะทำได้ต้องใช้เวลานานพอสมควรบางคนพยายามทำค่ะแต่ว่าทำไม่ได้สักทีก็มีเหมือนกันวัดหลังสารเป็นวัดที่ไม่ได้ใหญ่โตโอลานอะไรมากนะักคือไม่มีเครื่องอานวยความสะดวก ความสุขสบายก็ไม่มีนะคะพระสงฆ์สามเณรต่างกันอยู่กันแบบสมถะแล้วก็จะเคร่งด้วยการปฏิบัติด้านวิปัสสนากรรมฐานเพื่อต้องการให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักของพระพุทธศาสนาค่ะ นอกจากพระสงฆ์แลวก็สามเณรแล้วก็ยังมีแม่ชีมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยตลอดเวลาจำพรรษาที่วัดหลังสารพระอาจารย์กล่าวว่าไม่เคยได้พบเห็นสิ่งใดอันเป็นความเร้นลับภายในวัดมาปรากฏตัวให้เห็นได้เลยสักครั้งทงั้งๆที่วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่แล้วในคืนวันหนึ่งคืนนั้นฝนก็ได้เทลงมา พร้อมกับลมพายุที่พัดมาจากทะเลได้กระหน่ำมาอย่างหนักจนข้าวของที่อยู่ภายในบริเวณวัดเนี่ยปลิวว่อนกระจุยกระจายต้นไม้ต่างๆโดนลมลมแรงนะคะหักโค่นไปเลยก็มีต้นมะม่วงที่กำลังหามนิดนึงก็ได้หล่นลงมากองอยู่กับพื้นมากมาย แม่ชีเตี้ยงซึ่งอายุของท่านก็มากพอสมควรแล้วนะคะท่านได้ติดตามพระอาจารย์เทศไปปฏิบัติธรรมที่วัดหลังสารจังหวัดภูเก็ตด้วยพร้อมกับได้ฝึกทางด้านกรรมฐานกุฏิของแม่ชีเตียงนี่อยู่หลังสาราโรงธรรมค่ะในช่วงที่ฝนกระหน่ำลงมาพร้อมกับลมทะเลนั้นแม่ชีเตียงมองออกไปยังต้นมะม่วงก็เห็นลูกมะม่วงหล่นลงมากองเกลื่อนพื้นของลานวัดเป็นจานวนมาก ดังนั้นเมื่อฝนหยุดตกและแม่ชีเตียงจึงได้ออกไปเก็บลูกมะม่วงที่ตกเกลื่อนอยู่กับพื้นด้วยคิดว่าจะรับประทานเองส่วนหนึ่งแล้วก็นำไปถวายพระส่วนหนึ่งในขณะที่แม่ชีเตียงกำลังก้มเก็บมะม่วงหล่นอยู่นั้นนะคะเงยหน้าขึ้นไปมองยังกองหินลูกดังก็มีความรู้สึกแปลกใจ ที่มีหญิงสาวคนนึงผมยาวประหลังกําลังมองมาทางแม่ชีที่กําลังเก็บมะม่วงอยู่ในลักษณะท่าทางเหมือนอีลุยค่ะซึ่งเป็นผู้หญิงที่สติไม่ค่อยดีบ้าบ้าบาบอมปัป้มเปอรเอๆ อ, อาศัยอยู่ข้างวัดแล้วก็มักจะเข้ามาในวัดบ่อยๆแม่ชีเตียงเองก็มีความคุ้นเคยกับอีลุยซึ่งเป็นคนสติไม่ค่อยดีคนนี้เป็นอย่างดีก็เลยร้องตะโกนออกไปบอกว่าอิลุยแกไปเอากระซะมากระซะก็คือตะกานะคะที่กุฏิมาให้แม่ชีหน่อยสิ แต่ว่าผู้หญิงผมยาวที่นั่งอยู่บนกองหินเนี่ยก็ยังคงนิ่งเฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจกับเสียงที่แม่ชีตะโกนสั่งแต่ประการใดทั้งทางที่อยู่ห่างกันเพียงไม่กี่ก้าวแม่ชีเตียงเห็นดังนั้นก็เลยตะโกนสั่งอีกครั้งดังกว่าเดิมนะคะบอกว่าเฮ้ยอีลุยทําเป็นไม่ได้ยินนะมึงหูหนวกหรือไงแม่ชีเรียกแกไม่ได้ยินหรอวันไปเอากระสะให้หน่อยได้ยินไหม แต่ว่าอิลุยของแม่ชีเตียงเนี่ยก็ยังทําเป็นทองไม่รู้ร้อนค่ะไม่สนใจใยดีกับเสียงตะโกนบอกของแม่ชีเตี้ยงแต่ประการใดแม่ชีเตียงก็เลยโมโหนะคะหยิบเอาลูกมะม่วงที่กําลังเหมาะมือนี่แหละปาไปที่อิลุยอย่างแรงแล้วก็มีเสียงสะท้อนกลับมาดังพลักแทนที่ร่างนั้นจะหวั่นไหวเมื่อโดนลูกมะม่วงอย่างจังๆเข้าแสกหน้าก็แทนที่จะลุกขึ้นนะคะ หรือไม่ก็อาจจะร้องโอดโอยหรือร้องด้วยความตกใจด้วยความเจ็บที่โดนลูกมะม่วงปาเข้าไปแต่ว่าเงียบค่ะผู้หญิงคนนั้นที่ยังนั่งอยู่เนี่ยก็ยังเงียบอยู่แล้วก็นั่งเฉยๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ร่างนั้นเนี่ยจะค่อยๆยืดตัวสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอีกหลายวันทั้งๆที่ยังนั่งอยู่ในลักษณะเดิมเมื่อเจอเข้าจังๆแบบนี้แทนที่ไม่ฉีเตียงจะรีบเข้าห้องเพราะรู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่คิดว่าอีลุยเนี่ยไม่ใช่ละ แต่ว่ามันเป็นเปรตแม่ชีเตียงกลับตั้งสติได้แล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ทะมึอนอยู่ตรงหน้านั้นเนี่ยเป็นเปรตหรือไม่ก็ผีต้นใดต้นหนึ่งอย่างแน่นอนแม่ชีเตียงเองเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณมาพอสมควรค่ะก็เลยยืนมองอย่างมีสติแล้วก็พูดออกไปว่าอ๋อนึกว่าอีลุยอืมแต่เอาเถอะจะเป็นใครก็ตามเดี๋ยวฉันทำบุญที่ส่วนกวุศลไปให้แล้วก็กรวดน้ำไปให้จงเป็นสุขเป็นสุขเถดนะ หลังจากที่แม่ชีเตียงกล่าวจบก็หอบกระสะมาม่วงเข้าไปในกุฏิแต่ก็ไม่วายนะคะที่จะมองไปที่กองหินลูกรังนั่นอีกว่าผีเปรตตัวนี้เนี่ยยังคงนั่งอยู่ที่เดิมหรือไม่แต่ก็ปรากฏนะคะว่าเปรตตัวนี้ยังคงนั่งชันเข่าท่วมหัวโด่งอยู่อย่างนั้นแม่ฉีเตียงก็ไม่สนใจแล้วล่ะค่ะว่าเปรตมันจะอยู่ตรงนั้นหรือมันจะอยู่ตรงไหนแกกลับเข้ากุฏิดีกว่า พร้อมกันนั้นก็ได้นั่งเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมกรรมฐานจนกระทั่งสว่างคาตาพอได้เวลาแม่ฉีเตียงก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานตอนที่ฝนตกก็ได้นําอย่างหนักก็เลยได้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้น แล้วก็มาเล่าให้พระอาจารย์เทศซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ทราบทั้งหมดค่ะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างระทึกใจตอนที่แม่ชีเตียงเล่านะเนี่ยพระอาจารย์อ่นนั่งอยู่ข้างๆด้วยก็เลยได้นําเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดต่อให้กับคุณสนิทนะคะพระอาจารย์เทศนั่งฟังแม่ชีเตียงเล่าอย่างสงบตั้งแต่ต้นจนจบท่านเข้าใจมาโดยตลอดแล้วก็ได้แซงพูดออกมาว่าตาฝาดไปหรือเปล่าโยมเตียงที่นี่มีเปรตมีผีที่ไหนกันพระอาจารย์เทศกล่าวแล้วก็ทําหน้าตาเฉย ไม่ฉีเตียงเมื่อเล่าให้พระอาจารย์ที่ตัวเองเคารพนับถือฟังแล้วก็ยืนยันนะคะ ว, ว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้ตาฝาดซะหน่อยแต่พระอาจารย์ไม่เชื่อจึงยืนยันเสียงแข็งว่าตัวเองนี่เห็นมากับตาจริงๆไม่ได้กุ้เรื่องหรือว่านําเรื่องตลกที่ไหนมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์เทศเห็นท่าทางของไม่ชีเตียงไม่ยอมง่ายๆค่ะท่านก็เพียงแต่ยิ้มๆแล้วก็พูดตอบกลับไปบอกว่าทุกอย่างที่โยมเห็นในวันฝนตกนั้นถูกต้องแล้วล่ะโยม ตอนที่อาตมามาอยู่วัดหลังสารนี้ใหม่ๆก็เคยพบเห็นบ่อยๆแต่เดิมนั้นที่วัดหลังสารนี้มีเปรตอยู่ทั้งหมด10ตนด้วยกันแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่เพียงตนเดียวนอกกนั้นเขาไปผุดไปเกิดกันหมดแล้วเปรตตนที่เหลืออยู่นี้มีหลุมฝังศพอยู่ใต้กุฏิแดงแต่ที่อาตมาไม่บอกและไม่พูดถึงก็เพราะว่าเมื่อพูดไปแล้วไม่มีใครเชื่อก็ไม่มีประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่คนอื่นๆ ก็จริงอย่างที่พระอาจารย์เทเส้นพูดนะคะหากท่านพูดไปแต่ว่าไม่มีใครเชื่อและไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งยังจะถูกกล่าวหาว่าพระหลอกอีกดังนั้นไม่พูดดีกว่าปล่อยให้เห็นเองเจอเองถ้าคุณผู้ฟังทั้งหลายเห็นเปรตมาปรากฏตัวต่อหน้าอย่างนี้จะกล้าอาศัยอยู่ในวัดนี้อีกต่อไปหรือไม่อาจจะคิดเลยนะคะว่าวันดีคืนดีมานั่งอยู่ข้างๆที่นอนเนี่ยจะทํายังไงหรือไม่ก็มายืนอยู่หน้าประตูกุฏิหรือก็ยืนรออยู่หน้าห้องน้ํา จริงอยู่ค่ะผีเปรตมันไม่สามารถทำอะไรเราได้แต่ว่ามันทำให้เราได้อย่างเดียวคือกลัวเอาแค่มีข่าวลือนะคะว่าผีดุในวัดนั้นผีดุในวัดนี้ B ีอีคนนึงละค่ะกลางวันแสกก็ไม่กล้าเดินผ่านไปเพราะว่ากลัวมันจะโผล่ออกมาแบบให้เราเห็นตัวเป็นๆแต่ว่าไม่ชีเตียง มีประสบการณ์เรื่องผีเรื่องเปรตมาพอสมควรเมื่อได้พบเห็นแทนที่จะกลัวจนลนลานท่านเองก็กลับเวทนาสงสารในวิบากกรรมของพวกเขาก็เลยเพียงแต่แผ่เมตตาแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อพวกเขาจะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามบุญตามกรรมของพวกเขาต่อไปค่ะ นับจากวันที่แม่ชีตียังได้พบกับเปรตสาวตนนั้นกระทั่งวันนี้ก็ผ่านมาหลายสิบปีทุกสิ่งทุกอย่างคงเปลี่ยนไปตามสภาพอายุแล้วก็คงมีการเปลี่ยนแปลงไปนในทางเจริญมากขึ้นตามยุคสมัยแล้วเปรตที่ฝังอยู่ใต้กุฏิแดงที่พระอาจารย์เทศท่านพูดถึงนั้นคงได้รับผลบุญจากพระอาจารย์เทศได้ช่วยให้พ้นทุกข์ไปแล้วนะคะเพราะว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้เจริญด้วยธรรมบารมีการจะปล่อยเปรตตนนี้ออกจากบ่วงกรรมอันหนักหน่วงให้บรรเทาเบาบ า, บางลงด้วยการแผ่บุญบ ธรรมีของท่านไปให้ก็คงช่วยให้หลุดพ้นได้เรื่องของผีเร่ร่อนเปรตอสุรกายหรือสัมภเวสีที่ไม่ยอมไปเกิดนั้นก็เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นยังคงมีกรรมที่ได้ก่อขึ้นหรือสร้างขึ้นตอนที่พวกเขายังมีชีวิตเป็นมนุษย์กรรมไม่ดีหรือกรรมชั่วจึงต้องติดตัวพวกเขาไปทุกหนทุกแห่งแม้แต่ในเมืองผีหรือเมืองนรกก็ไม่เว้นค่ะ